ชีวิตของคนขับรถแท็กซี่ดูเหมือนว่าจะน่าเบื่อวันๆก็ต้องนั่งหลังพวงมาลายัยตั้งแต่เช้ายันคำ่ำบางทีก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอย่างเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ตอนเช้าวันที่เกิดเรื่องผมไปรับรถที่อู่รถตั้งแต่ก่อน6กโมงเช้าเมื่อรับรถเสร็จเรียบร้อยก็ขับไปจอดอยู่ที่ข้างอู่เพื่อหากาแฟกับปลาท่องโกรองท้องเรียกว่าเป็นกิจวัตรประจําวันก่อนที่จะออกตระเวนรับผู้โดยสารตามปกติ ร้านกาแฟตรงทางอู่รถนั่นเป็นเจ้าประจากันมานานที่จริงเรียกว่าร้านคงจะไม่ค่อยถูกนักเพราะว่าร้านกาแฟที่ว่านี่เป็นรถเข็นมีโต๊ะกับเก้าอี้อยู่สอามชุดเช้ามาก็มาตั้งอยู่ริมทางเดินขายกาแฟแล้วก็ขนมต่างๆไปจนถึงช่วงเย็นก็เก็บโต๊ะแล้วเจ้าของก็เก็บรถเข็นกลับบ้าน พอไปนั่งกินกาแฟสักครู่หนึ่งก็มีเสียงทักมาจากโต๊ะข้างๆผมหันไปดูก็เห็นเจ๊เตียงคนทำงานที่บริษัทขนส่งที่อยู่ตรงข้ามกับอู่รถแกมานั่งกินกาแฟอยู่ก่อนแล้วเอ้าเกิดมานั่งกินด้วยกันสิวันนี้ออกสายนะอ๋ อ, อเมื่อคืนผมนอนดึกไปหน่อยอะเจ๊ผมตอบไปพร้อมกับลากเก้ า, าอี้ไปร่วมโต๊ะกับแกตามปกติแล้วจะมารับรถราวๆตีห้า แต่ว่าเมื่อวานตอนเย็นมีผู้โดยสารเมาไปสมุดปราการพอส่งเขาเสร็จผมก็เลยไปเยี่ยมผักพวกที่ทำงานแถวนั้นก็เลยติดลมสังสรรค์กันไปจนดึกหน่อยตามประสาคนที่ไม่ได้พบกันานานๆเจ๊เตียงมีอายุรุ่นป้าแต่พวกเราที่อู่ทุกคนเรียกแกว่าเจ๊ตามเท่าแกเจ๊เตียงทำงานกับบริษัทส่งของที่อยู่ตรงข้ามฝั่งถนนกับอู่รถของผมเท่าแกบอกว่าเจ๊เตียงเป็นพี่สาวของเจ้าของบริษัท มีฐานะอยู่ในขั้นมีอันจะกินลูกเต้าก็เรียนจบหมดแล้วลูกๆจะให้อยู่บ้านเฉยๆพักผ่อนแต่ว่าแกไม่ชอบก็เลยมาทำงานช่วยน้องชายแกเพื่อที่จะแก้เหงาผมไม่ค่อยได้คุยกับแกบ่อยนักเพราะว่าต่างคนต่างก็มีภาระทำมาหากินนอกจากทักทายในเวลาพบกันเจ๊เตียงจะมาทางานราวๆตีห้าเพราะว่าบริษัทส่งของนั้นเขาจะมีงานมากในตอนเชาามืด งานของบริษัทนั้นก็คือจัดส่งของโดยรถบรรทุก1ิบล้อไปยังต่างจังหวัดเจ้เตียงจะนั่งอยู่ที่โตทำงานของแกด้านหน้าของตึกแถวสองคูหาซึ่งเป็นบริษัทขนส่งคอยจดอะไรลงสมุดเล่มโตเจ้เตียงเป็นคนอบอ้อมอารีและก็มีอัธยาศัยดีคุ้นเคยกับเท่าแก่เจ้าของอู่รถและก็พวกเราเป็นอย่างดีเวลาตรุจจีนหรือว่าเทศกาลต่างๆก็มกักจะมีเล่าดีๆหรือว่าของกินมาให้พวกเราอยู่ที่อู่ ดูหน้าตาไม่ค่อยดีเลยนะไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยแกจ้องหน้าผมด้วยท่าทางแปลกแปลกเป็นยังไงเหรอเจ้โอเคก็หน้าดำไงเนี่ยเหมือนไม่สบายเลยไหนแบมือไปดูสิน่าผมไม่ยากกะระู้เลยนะว่าเจ้เป็นหมอดูด้วยเนี่ยผมพูดพร้อมกับแบมือให้แกดูเอามาอีกข้างหนึ่งสิแกยื่นหน้าเข้ามาใกล้ขยับแว่นตากรอบทองพิจเรณามือผมอยู่สักพักก่อนจะพูดช้าๆกาลังมีเคราะห์นะเนี่ย ขับรถขับราระวังหน่อยก็แล้วกันผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องของการดูหมอสักเท่าไหร่แต่เมื่อมีคนทักก็รับฟังไว้นึกในใจว่าผมไม่ชอบขับรถเร็วอยู่แล้วตั้งแต่ขับแท็กซี่มาจนถึงขณะนี้ก็เกือบ5ปีแล้วยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยสักครั้งมีครั้งเดียวที่ชนกันกับรถมอเตอร์ไซค์แต่นั่นก็ไม่ใช่ความผิดหรือความประมาทของผมคนขับรถมอเตอร์ไซค์มันเมา ก็เลยพุ่งออกมาจากซอยมาแบบไม่ดูตามมาตาเรืออายุเท่าไหร่แล้วเราอะย่งยี่สิบห้าแล้วครับผมตอบเบนจะเพศซะด้วยเกิด e วันอะไรอะวันพุธครับแกนับนิ้วมือของตัวเองแล้วก็พูดต่อไปว่ายังไงก็ไปทำบุญถวายสังฆทานซะหน่อยนะในระยะนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยต้องระวังตัวจนอายุเลย25ห้าไปก่อนผมรับปากกับแก แล้วก็นึกในใจว่าสองสาวันนี้หากมีเวลาต้องไปทำบุญซะหน่อยซึ่งอันที่จริงตอนที่ผมอยู่ที่บ้านเกิดผมเองก็ไปทำบุญที่วัดอยู่บ่อยๆเรื่องบุญเรื่องทานนี่ผมชอบอยู่แต่ไหนแต่ไ้แต่ว่าเมื่อมาอยู่กรุงเทพก็ต้องทำมาหากินไม่ค่อยมีเวลาไปวัดคนขับรถแท็กซี่ที่นี่ไม่มีวันหยุดเหมือนคนอื่นเขาเราเป็นพวกหาเช้ากินขําถ้าหยุดก็หมายถึงขาดรายได้ไปวันนั้นฝนโปรยลงมาตั้งแต่ก่อน10บโมง ผมหาเงินได้มากเป็นพิเศษมีผู้โดยสารเรียกหลายรายตั้งแต่เช้ากว่าจะได้หยุดพักกินข้าวก็เกือบบ่ายสองฝนตกพรำๆตลอดทั้งวันพอถึงราวๆหกโมงเย็นฝนก็ตกหนักถนนในกรุงเทพหลายสายเจิงไปด้วยน้ำผมขับรถมาถึงบริเวณประตูน้ำมีผู้โดยสารเรียกให้ไปส่งที่ตลาดพลูที่จริงวันนั้นผมต้องส่งรถตั้งแต่สี่โมงเย็นแต่ว่าช่วงนั้น คนขับรถกะกลางคืนเขาไม่อยู่หยุดไปหนึ่งอาทิตย์กลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดผมก็เลยต้องขับรถคนเดียวได้จนถึงคำ่ำวันนั้นรถราติดกันแน่นมากเพราะว่าฝนตกหนักตั้งแต่ข้ามสะพานพุทธไปจนถึงบางยี่เรือรถไปได้ช้ามากกว่าจะส่งผู้โดยสารที่ตลาดพลูเสร็จก็เกือบ3ามทุ่มผมตั้งใจจะกลับไปนอนพักเอาแรงไว้ในวันรุ่งขึ้นขากลับไปจอดรถแวะกินข้าวแถววงเวียนใหญ่ตอนนั้นฝนยังลงเป ร, ปรอย์อยู่ กินข้าวเสร็จผมขับรถกลับมาทางเดิมพอมาถึงถนนสีอยุทยามีผู้โดยสารเรียกให้ไปส่งที่สุขุมวิทซอย72ิที่จริงตอนนั้นผมตั้งใจว่าจะเอารถกลับไปคืนที่อู่อยู่แล้วแต่ว่าผู้โดยสารที่เรียกเป็นผู้หญิงและก็มีเด็กเล็กมาด้วยผมก็เลยจำใจรับเพราะเห็นว่าเป็นช่วงกลางคืนฝนก็ยังคงตกพรำๆอยู่หารถยากน่าเห็นใจผมขับรถไปทางถนนเพชรบุรีเพื่อขึ้นทางด่วน พลงจากสะพานลอยประตูน้ำบนถนนเพชรบุรีก็ปรากฏว่าถนนเพชรบุรีน้ำท่วมขังค่อนข้างมากอีกราวร้อยเมตรจะขึ้นทางด่วนอยู่แล้วรถเกิดสํารักน้ำอยู่สองสามครั้งแล้วก็ดับสนิทผมพยายามสตาร์ทเครื่องอยู่นานก็ไม่ติดจนไม่มีเสียงสตาร์ทให้ได้ยินอีกก็เลยเข้าใจว่าแบตเตอรี่คงหมดตรงที่รถดับนั้นน้าท่วมขึ้นมาถึงตาตุ่มผมขอโทษผู้โดยสารและขอให้ต่อรถคันอื่น ลงมาช่วยเขาเรียกรถแท็กซี่อยู่นานกว่าจะพบรถที่ว่างพอส่งผู้โดยสารขึ้นรถเสร็จผมก็กลับเข้ามานั่งในรถคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีจะไปตามช่างที่อู่มาดูป่านนี้พวกนั้นคงกลับบ้านไปนอนนานแล้วผมมองดูนาฬิกาข้อมือตอนนั้นสี่ทุ่ม20นาทีคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทิ้งรถไว้ข้างถนนแต่ว่าตรงบริเวณที่รถผมจอดอยู่นั้นมืดมากแม้จะมีร้านเล็กๆที่ขายอาหารแต่ก็ปิดเงียบสนิท เพราะว่าตอนนั้นนับได้ว่าดึกแล้วฝนก็ยังคงตกพรำๆอยู่ตลอดเวลาขณะที่นั่งอยู่ในรถแล้วก็คิดหาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่นั้นผมเหลือบไปเห็นเด็กขายพวงมาลายัย 3-4 สี่คนกำลังนั่งหลบฝนอยู่ที่เพิงข้างถนนผมก็เลยลงไปขอให้พวกนั้นมาช่วยกันเข็นรถกลับเข้ามาข้างทางเพื่อที่จะจอดอยู่ริมถนนอีกฝากหนึ่งเพราะว่าตรงนั้นเป็นตึกใหญ่มีแสงไฟสว่างส่องน่าจะปลอดภัยกว่าทิ้งรถไว้ในที่มืดมดอย่างฝั่งโน้น กว่าจะเข็นรถกลับมาจอดอีกฝั่งหนึ่งได้ก็เป็นเรื่องทุลักทุเลมากนอกจากน้ำที่ท่วมขังแล้วแม้ว่าจะเป็นเวลาดึกแต่ว่าตรงนั้นยังมีรถวิ่งผ่านไปมาพอสมควรต้องรอจังหวะกันนานกว่าจะเอารถมาจอดอีกฝั่งหนึ่งได้ก็อีกราวครึ่งชั่วโมงต่อมาผมให้เงินเด็กๆคนนั้นคนละ20บบาทเป็นค่าเหนื่อยเมื่อเอารถมาจอดที่ริมถนนหน้าตึกสูงหลังใหญ่เสร็จสิ้นผมก็คิดว่า น่าจะนอนอยู่ในรถรอให้ถึงเวลาตีสี่ที่อู่เปิดค่อยออกไปตามช่างน่าจะดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นเกือบเที่ยงคืนแล้วจะทิ้งรถไว้แล้วกลับไปนอนที่บ้านก็เป็นห่วงรถแถมยังต้องรีบกลับมาตั้งแต่เช้ามืดอีกหากกลับมาไม่ทันพอตอนสายรถที่จอดอยู่ตรงนี้อาจถูกตำรวจจราจรเล่นงานเอาก็ได้เพราะว่าตรงนั้นเป็นถนนที่มีการจราจรขับข้างในตอนกลางวันเขาห้ามจอดรถตลอดสาย เมื่อคิดได้อย่างนั้นผมก็ปรับเบาะหน้าตรงคนขับลงไขกระจกรถแ ง, ง้างไว้หน่อยนึงหันไปมองทางตึกหลังใหญ่ซึ่งเขาเปิดไฟที่ห้องโถงชั้นล่างไว้สว่างแสงไฟลอดผ่านประตูหน้าที่เป็นกระจกทําให้ผมอุ่นใจขึ้นมาบ้างดีกว่าจอดรถตรงที่มืดมืดบนถนนฝั่งโน้นจากนั้นผมก็นอนฟังเสียงฝนลงเม็ดกระทบหลังคารถจนหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีเพราะว่ามีเสียงคนมาเรียกอยู่ข้างๆที่กระจกมาจอดรถตรงนี้ไม่ได้นะ เลื่อนรถไปทางโน้นหน่อยผมงวงเงียลุกขึ้นปรับพนักเก้าอี้ให้ตรงตอนนั้นฝนหยุดตกแล้วมองออกไปเห็นคนหลายคนทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เด็กๆคเนว่าราวๆน่าจะสิบคนยืนอยู่รอบๆ ร, รถคนที่ยืนอยู่ติดกับกระจกเป็นผู้ชายแต่ว่าผมเห็นหน้าตาไม่ค่อยถนัดเพราะว่ามืดมากรถผมเสียครับผมบอกกับผู้ชายคนนั้นอ้าวรถเสียก็ต้องจอดเลยไปตรงนี้จอดไม่ได้ อ๋อพวกเราช่วยกันเข็นใช่คนนั้นว่าแล้วก็หันไปพยักเพยเิดกับพวกที่เหลือพวกคนที่มาด้วยทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เด็กๆ ก, ก็ช่วยกันเข็นตรงท้ายรถบางคนก็อยู่ข้างๆรถผมตอนนั้นผมเห็นหน้าตาของคนนั้นแวบหนึ่งในแสงสลัวทุกคนมีใบหน้ายิ้มแย้มแล้วก็ดูเป็นมิตรพวกนั้นช่วยกันเข็นรถผมไปสักสิบเมตรผมนั่งจับพวงมาลัยรถโดยไม่ได้ลงไปช่วยเพราะเห็นว่ามีคนมากันหลายคน เขาเขียนไปสักพักหนึ่งเขาก็หยุดอ้อจอดตรงนี้ดีกว่าชายคนนั้นบอกโชคดีนะแท็กซี่ระวังด้วยแถวนี้นะ่พวกขี้ยาเยอะอ๋อทะเบียน7735เหเลขสวยซะด้วยสิผู้ชายคนนั้นพูดเยา้ยาๆผมได้ยินคนอื่นๆหัวเราะ ค, คิกคักจากนั้นคนทั้งหมดก็หันหลังเดินกลับไปทางที่รถจอดอยู่หน้าตึกใหญ่เมื่อสักครู่ที่น่าแปลกก็คือการเดินของทุกคนไม่ได้เดินเหมือนคุณเหมือนผม แต่เหมือนกับเลื่อนไปช้าๆราวกับยืนอยู่บนเรือที่ค่อยๆแล่นออกไปหรืออยู่บนกระดานเลื่อนผมขนลุกเกลียวเหงื่อแตกพลักใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาจากตัวและผมก็ต้องสะดุง้งรู้สึกร้อนเหงื่อไหลชุ่มไปทั้งตัวนี่ผมยังนอนเองตรงที่นั่งคนขับรถในท่าเดิมผมปรับพนักที่นั่งให้ตรงตอนนั้นฝนหยุดตกแล้วมองไปฝั่งถนนด้านโน้น มีแม่ค้าหลายร้านเริ่มเปิดร้านขายอาหารแล้วทั้งหมดนี้เป็นความฝันนี่ผมฝันไปนั่นเองเป็นความฝันแท้แต่ทําไมเหมือนกับความจริงเหลือเกินท่าทางและเสียงของผู้ชายคนที่มาช่วยเข็นรถยังดังกล้องอยู่ในโสดประสาทแต่พอมองไปยังตึกใหญ่ข้างๆผมก็ต้องสะดุ้งอีกรอบไม่มีตึกใหญ่หลังนั้นแล้วทั้งๆที่เมื่อคืนผมมาจอดรถอยู่หน้าตึกนั่นแท้ผมเหลียวไปทางด้านหลังอย่างงง ตึกหลังนั้นตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางความมืดไกลจากรถของผมพอสมควรนี่แสดงว่ารถผมได้ถูกเลื่อนมาจากที่ผมจอดทิ้งไว้เมื่อคืนเป็นไปไม่ได้แน่นอนเมื่อสักครู่นี้ผมยังฝันไปผมเหลือบมองลงไปที่เบรกมือที่ดึงไว้ตอนจอดรถซึ่งเป็นนิสัยประจำของผมเวลาที่จอดรถทุกครั้งเบรกมือยังอยู่ในลักษณะดึงขึ้นเหมือนตอนจอดทุกประการหรือว่าผมจาผิดไป ว่ารถจอดอยู่หน้าตึกหลังนั้นทั้งๆที่ความจริงแล้วผมจอดรถอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกเป็นไปไม่ได้อีกนั่นแหละที่ลงทุนจ้างเด็กๆเข็นรถกลับมาจอดฝั่งนี้ก็เพราะว่าฝั่งโน้นมืดมากก่อนหลับไปผมมองไปทางตึกหลังใหญ่นั้นยังคงเห็นแสงไฟจากห้องโถงอยู่กับตาผมนั่งงงอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานนี่ถ้าเมื่อคืนดื่มเหล้าก็จะนึกโทษตัวเองว่าเป็นเพราะความเมาแต่นี้ยังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ผมลงจากรถเดินไปอีกหน่อยหนึ่งเพื่อดูนาฬิกาเข้ามือจากแสงไฟสลัวข้างทางตอนนั้นตี55นาทีแล้วผมเดินข้ามไปฝั่งตรงข้ามใช้โทรศัพท์สาธา ร, รณะโทรไปที่อู่รถบอกให้เขาส่งช่างมาซ่อมบอกจุดที่ผมจอดรถไว้อย่างละเอียดจากนั้นก็เข้าไปยังร้านขายอาหารที่เพิ่งเปิดตอนนั้นผู้หญิงวัยกลางคนเจ้าของร้านกับลูกสาววัยรุ่นกาลังจัดข้าวจัดของเพราะว่าเพิ่งจะเปิดร้าน ผมสั่งกาแฟร้อนมาดื่มเพื่อรอช่างจักอู่เจ้าของร้านเป็นคนช่างพูดขณะที่ตัวเองกำลังจัดอาหารลงถาดที่หน้าตู้ขายข้าวแกงก็ชวนผมซึ่งเป็นลูกค้าคนแรกของวันคุยแบบไม่หยุดไม่หย่อนคุยกันยังไงก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้ผมบอกแกว่าเมื่อคืนตอนฝนตกหนักรถผมเสียผมก็เลยจอดนอนอยู่ฝั่งโน้นผมก็พยักพเยอดให้แกดูรถที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามนอนตรงนั้นทั้งคืนโดนเข้าหรือเปล่าล่ะ ถามผมขณะที่ยืนหันหลังจัดของในตู้โดยไม่ได้หันหน้ามามองผมผมอึง้งยังไม่ทันจะได้พูดอะไรผู้หญิงคนนั้นก็พูดต่อคนแถวนี้นะี่ยโดนกันหลายคนแล้วอาทิตย์ก่อนเนี่ยก็พวกตำรวจจราจรก็เจอทีนึงผมสะดุง้งยังไม่ได้พูดอะไรต่อก็พอดีมองไปเห็นรถที่อู่มาจอดฝั่งตรงข้ามคนจากอู่เขากําลังมองหาผมอยู่ผมจึงรีบจ่ายเงินค่ากาแฟโดยไม่ได้พูดอะไรกับเจ้าของร้านต่อ แล้วก็ข้ามถนนมาที่รถพวกช่างเขาซ่อมรถอยู่ที่นั่นราวยี่สิบนาทีเอาน้ำยามาพ่นจานจ่ายที่เปียกน้ำแล้วก็ต่อสายจากแบตเตอรี่คันนั้นมาเข้าที่รถผมเขาบอกว่ารถคันนี้ได้เวลาต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วจากนั้นผมก็ขับไปส่งรถที่อู่บอกเท่าแกว่าวันนั้นผมหยุดขับหนึ่งวันวันต่อมาผมเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆที่ขับรถแท็กซี่ด้วยกันฟังบางคนบอกว่าผมจาที่จอดรถผิดเอง แล้วก็ฝันไปอะไรเป็นเรื่องเป็นราวไปคนเดียวหมดบางคนก็บอกว่าที่ตรงนั้นดุเคยมีอุบัติเหตุบ่อยๆที่ผมไม่ได้เล่าให้ใครฟังก็คือที่ผู้ชายคนที่เดินมาเขียนรถพูดถึงทะเบียนรถของผมงวดนั้นเลขท้ายสตัวของรางวัลที่หนึ่งออกเจ5สห้าตรงๆผมไม่เคยแทงหวยกับเขาไม่อย่างนั้นละคงได้เงินชัยบ้างพูดแล้วก็ยังเสียดายไม่หาย นึกถึงที่เคยได้ยินคนเก่าๆเขาพูดกันว่าใครเจอเรื่องผีๆสางๆมักจะเคราะห์ไม่ดีวันต่อมาตอนบ่ายผมแวะไปวัดทองนบพคุณที่อยู่ใกล้บ้านถวายสังฆทานะเะดเคราะและอุทิศส่วนกุศลให้กับพวกที่มาช่วยผมเข็นรถเมื่อคืนวันก่อนขอให้เป็นสุขเป็นสุขและไปสูท่ที่ที่ดีกันทุกคน